นวัดป่านาคำน้อยตํบาบลบ้านก้องอําเภอนายูจังหวดัดร่อนธานี12เมษายนเป็นวันนาดเข้ามาและอุปสมบทวันที่21เมษาจะลาสิขาวันที่20พฤษภาเนะี่ยบอกกําหนดไว้เลยนะจากเจ็ดมหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยธรรมศ า, ศาสตร์มหาวิทยาลั ย, ลยรามคำแหง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 อันนี้เป็นเพียงแต่พุทธศาสนูประถมพกเป็นผู้บำลุงพระพุทธศาสนาเท่านั้นยังไม่ใช่ทายาทพญาธรรมโศ ก, กถามว่าถ้าจะให้เป็นทายาทนั้นจะทำยังไงครับผมพระเถระตอบว่าถ้าจะให้เป็นทายาท ต, ต้องเอาลูก<อ>ชายและลูกสาวลูกชายกบวฏเป็นพระภิกษุ